เตือนต้องบอกกันเป็นวันวันไปเพราะคนเราไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ต้องคอยย้ำคอยเตือนกันเรื่อยอีกอย่างหนึ่งก็ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจของเรามันมีตลอดเวลาถ้าเราได้บอกย้ำบอกเตือนกันเรื่อยๆมันก็ระลึกได้บ่อยให้ตัวระลึกได้บ่อยนั่นเองทําให้เราสามารถสมาน กายสมานใจเข้าด้วยกันสดิบขึ้นสดิบขึ้นเหมันกับแผลที่มันเปิดมานานแล้วเมื่อเราค่อยใส่ยาเรื่อยๆมันก็ค่อยสมานไปเรื่อยๆจุดแผลมันหายใจของเราเหมือนกันมันถูกแผลถูกยาพิษราคะโทสะโมหะตัณหาวิชาเป็นยาพิษเข้ามาแทรกซึมอยู่สร้างบาดแผลให้กับใจของเรามานาน เราก็าไม่คยมีโอกาสยูยารักษาแล้วก็เจ็บป่วยเป็นทุกข์ไมเนี่ยเป็นทุกข์ขามคบขามชาติมาแล้วถ้ารักษาไม่หายในชาตินี้มันก็จะเป็นทุกข์เจ็บป่วยเพราะบาดแผลนี้ต่อไปเป็นวัฏแถลบาดแผวัวตะสงสารไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด น, นั้นเราก็ต้องคอยบอกวิธีการรักษาแผล ว่าเราจะทำยังไงไม่ให้แผลใหม่เกิดขึ้นรักษาแผลเก่าให้หายก็ <c oughs> ต้องบอกกันบ่อยๆเพราะแผลที่มันเปิดที่ใจมันไม่ได้เปิดที่กายแผลทางกายเนี่ยเรารักษาได้หมอรักษาได้ยารักษาได้แต่แผลทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางที่จะหายพระพุทธเจ้าเป็นสมุนไพรใหญ่ของโลกเราก็ต้องเอาวิธีการของท่าน รักษาให้ถูกต้องถ้าวิธีการของท่านเร า, ารักษาไม่ถูกต้องก็ไม่หายเหมือนกันนะดังนั้ น, นพวกอัตามานี้ได้ปฏิบัติมารักษาแผลนี้มาจนกระทั่งว่ามันหายบ้างก็มีประสบการณ์แล้วก็มาบอกกันเท่านั้นเองนะ วิธีการรักษาแผลที่เกิดจากราคาทระทสตโมหะแล้วก็รู้จักว่าโรคมันเกิดอย่างไรนะโรคราคะกับโรคความโลภเนี่ยเดียวกันโรคความหงุดหงิดปฏิฆะไม่พอใจกับโรคความโกรธเดียวกันโรคความพุดเพลินหลงลืมสนุกสนาน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการอยู่การกินการกามการเกลียกกดกันเกิดการตายพวกนี้เพลิดนในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นโรคอันเดียวกันที่เรียกว่าโมหะตอนเพลิดเพลินหลงไหลลืมตัวพวกนี้เป็นโรคเป็นเชื้อโรคมันไม่ใช่เป็นโรคเป็นเชื้อโรคเมื่อเข้าไปอยู่เข้าไปสู่ใจของเรามันก็ขยายตัวถ้าขยายตัวตรงขยายตัวนี้เราเรียกว่าสังขาร ขยายตัวขยายความคิดขยายการปรุงแต่งราคะโลภะเข้าขยายโครงการอยากจะทำอันนั้นอยากจะทำอันนีอ้อยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้ตามความอยากออญญามันจะพาไปนั่นคือการขยายตัวของโลกแล้วก็การขยายตัวของโลกที่ถ้าเราไม่มีความรู้ของพุทธเจ้าเราก็รักษาไม่เป็นว่าเราจะรักษาโรค สหงสังขารได้อย่างไรอันนั้นก็คือเราจะต้องรู้จากวิธีการว่าความโลภหรราคามันเกิดขึ้นเพราะความต้องการความอยากของเราเองอยากจะได้ลูกอยากจะได้กัวอยากจะได้เมียอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านขยายไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันได้ตามอยากทุกอย่างในโลกเราจะไม่มีที่อยู่เลย โลกนี้จะเต็มไปด้วยขยะอันงความอยากอันนี้ดีธรรมชาติมันไม่ได้ตอบสนองทุกอย่างแค่ไม่ได้สนองทุกอย่างอันนี้โลกก็จะอยู่ไม่ได้โลกก็จะระเบิดระเบ้ออยู่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนี่ว่ามันเป็นโลกนึ่มะขนาดไหนทำให้โลกนี้โลกทั้งโลกทั้งจักรวาลมันป่วยไปด้วยมันได้แรงขนาดไหนโลหิตัดแล้วก็ความโลก ือราคะตัวนี้มันก็เป็นธรรมชาติด้วยอันหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันเป็นธรรมแต่เราแยกไม่ออกเป็นธรรมชาติเช่นความหิวเป็นธรรมชาติทีนี้ถ้าหากว่าความหิวถูกตอบสนองตัวธรรมชาติมันก็หาย องการตามธรรมชาติมันก็หายแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีธรรมชาติทั้งมันคือมันหิวมันก็หากินพอหากินมอิ่มแล้วก็จบพอหิวใหม่มันก็หาใหม่แค่นั้นเองนั่นสัตว์มันทําตามที่มันเป็นธรรมชาติตามสัญชาตญาณให้มาเท่าไหร่เท่านั้นแต่คนนี่มันมีวิเศษพิเศษคนนั้นก็คือ เวลามันหิวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่ว่าตอบสนองให้อิ่มแต่มันคิดว่าเราจะกินกว่านี้เก็บไว้กินมากกว่านี้มากกว่านี้ได้อย่างไรกินเวดานก็ดีได้อย่างไรแล้วจะกินดีกว่านี้ได้อย่างไงแล้วจะกินอร่อยกว่านี้ได้อย่างไรแลาจะให้คนอื่นที่มันอยากมันชอบเนี่ยให้กินด้วยได้อย่างไรนี่คือความทุกข์ของคนมันขยายตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าความอยาก มันไม่ใช่ความหิวละอะไรที่มันเกิดความต้องการของร่างกายเนีรียกว่าความอยากอะไรที่มันเป็นความต้องการของร่างกายเขาเรียกความหิวตอบสนองจบแต่ความอยากแล้วยิ่งตอบสนองก็ยิ่งเกิดความอยากก่าความหิวความหิวมันน้ําความอยากมันน้ํามันซึ่งยิ่งตอบสนองก็ยิ่งไหม้ไปเรื่อยๆ แต่น้ำเตอบสนองแล้วก็ชุ่มเย็นอิ่มตัวนี่ธรรมชาติของความอยากที่เป็นราคาที่เป็นโลภาพเป็นลักษณะอย่างนั้นให้เข้าใจต้นสมุทฐานของการเกิดของโรคซะก่อนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในการรักษาโรค ราคะและโรกร า, าโลภะนี่ทำไงถ้าว่าเกิดกับนักบวชเขเรียกว่าราคะถ้าเกิดกับชาวบ้านเขาเรียกลโลภะแต่รากอันเดียวกันนะเพราะนักบวชเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในแง่ขงการสแสวงหาสมบัติแต่ก็มาติดที่ราคะแสวงหาความอยากในตัวเองชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ในการสแสวงหาวัตถุก็เป็นโลภะเข้าไปด้วยเป็นราคะโดยเป็นโทสโลภะเข้าไปด้วย นั้นชาวบ้านคนทั่วไปจึงหรือนักบวชที่ไม่ได้ปฏิบัติก็จึงทุกข์ถึงสองเท่าทุกข์เพราะราคะและทุกข์เพราะโลภะแสวงหาความต้องการต่างธรรมชาติของตัวเองแล ะ, สะแสวงหาส่วนเกินจากธรรมชาติให้กับตัวเองด้วยแต่เป็นนักบวชเนี่ยพยายามที่จะแก้ทั้งสองส่วนแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็พยายามที่จะเพิ่มทั้งสองส่วนทุกมันถึงได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น วิธีแก้ทํำอย่างไรที่วิธีแก้แบบสมถะก็บอกว่าเมื่อคนไหนมีโลภะคนไหนมีราคะก็ให้เจริญอถ้ามีโลภะอาจจะให้ทานสลัดออกไปแก้ไขด้วยวิธีนั้นแต่ถ้าเป็นนักบวชก็ท่านให้สันโดษยินดีพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นวิธีแก้ โลภะทีนี้การที่ไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันก็สันโดษไม่ได้มันก็ให้ยากนใการที่เ ส, สละให้เพราะยัออยงไงก็คิดถึงตัวเองไว้ก่อนที่นี้รากมันมาจากอะไรตัวรากของราคะก็ดีรากของโลภะก็ดีมันมาจากอะไรก็มาจากความคิดเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ย ที่มันเป็นประกอบด้วยอวิชชาที่ไม่รู้ตัวมันหมายถึงการเกิดอัตาตาโดดเดเมื่อเกิดอัตตาตัวตนแล้วมันก็ต้องอาศัยต้องมีที่อยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อแก้โดยวิธีทางพุทธเจ้าท่านไม่ได้มุ่งที่จะให้บอกสอนให้ให้ทานหรือไปพิจารณาอสุภะเพื่อจะแก้ราคะหรือโลภะแต่ท่านมุ่งว่าไอตัวกําเนิดที่มันจะให้เกิดราคะโทโลภะนี่คืออะไรก็คือความคิด ความผิดมันมันเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้เขาก็เรียกว่านา ม, มารูปหรือเรียกว่าสังขารเราไปแก้จุดนั้นไปตัดต้นเหตุตรงนั้นคนให้ทานก็ยังโลภเหมือนเดิมคนพิจารณาอิสุภาพก็ยังมีราคะเหมือนเดิมเพราะไอ้ต้นเหตุของมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นเป็นปลายเหตุของมันต้นเหตุตรงที่ว่าเราคิดถึงมันก่อนถ้ามันไม่คิดสิ่งเหล่านี้มันเกิดไม่ได้โลภะก็เกิดไม่ได้ราคะก็เกิดไม่ได้ถา้าเราไม่คิดแต่ก่อน ไอ้ที่เราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ราคาก็เกิดโลภะก็เกิดเราต้องไปจัดการกับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าอืมง่ายกว่าที่จะไปจัดการได้ของมาแล้วทําตามความคิดแล้วไปมาแก้ไขที่หลังมันยากปลายเหตุแต่ต้นเหตุมันก็คือว่าเราจะทําไงที่จัดการไับความคิดที่มันเกิดหรือจัดการกับอวิชชาที่มันทําให้เกิดความคิดเนี่ยเราต้องมาจัดการที่ต้นเหตุความคิดการปรุงแต่งความอยากราคาเกิดขึ้นเพราะว่าความ ไม่รู้ตัวความไม่รู้สึกตัวของคิดก็เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราจะตอบสนองตามสัญชตาตญาณเมื่อเราหิวอาหารเนี่ยร่างกายมันบอกไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้เมื่อร่างกายมันบอกว่ามันหิวเราก็รู้วิธีหาตอบสนองร่างกายให้สำเร็จโดยไม่ยากสัตว์มันก็ทาได้เฉ่าะแต่คนแต่คนมันมีมากกว่านั้นเมื่อความหิวมันเกิดมัน นึกมันคิดว่าจะกินอย่างไรอร่อยจะกินได้ให้มากจะกินยังไงให้ดีแมแต่สัตว์มันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคิดว่าตอบสนองความหิวแล้วก็จบอันนี้คือความทุกขสาเหตุที่มันเกิดความราคาเร่โลภ ม, มาจากที่ความคิดโดยไม่รู้ตัวการตอบสนองสัญชาตญาณโดยไม่มีปัญญานั่นคือสาเหตุความทุกข์มันเกิดจากราคาเล่โลภเกิดขึ้น นี่เมื่อเรารู้สาเหตุมันว่าตัวโลภ ก, ก็ดีตัวราคาก็ดีเกิดจากความคิดที่เราไม่รู้สึกตัวนะเกิดจากความอาวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความคิดถ้าตัดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ตัดต้นเหตุทั้งความโลภความโกรธความหลงให้หมด เพราะการตอบสนองสัญชตาตญาณคนและสัตว์มันมีสัญชตาตญาณเหมือนกันสี่อย่างสัญชตาตญาณในการตอบสนองต่อร่างกายนี่ยเรียกว่ารากะหรโลภะสัตว์มันกินมันดื่มเสร็จแล้วมันก็จบปัญหามันก็เกิดน้อยหรือไม่เกิดแต่คนนั้นมันมีอวิชชายอยู่ สัตว์นั้นมันเป็นอวิชาของมันโดยธรรมชาติแต่คนเป็นอวิชาแต่สามารถที่สร้างวิชาขึ้นมาได้อันนี้ความวิเศษที่เกิดเป็นคนแต่สัตว์มันไม่สามารถจะพัฒนาตัวอวิชาให้เป็นวิชาได้แต่คนนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวอวิชาให้เป็นวิชาได้เมื่อเราได้มาเอาศึกษาคําสอนของท่านผู้รู้คาสอนของท่านผู้ตรรัดสินอย่างพระพุทธเจ้า น, นั้นก็คือ เรารู้ว่าตัวอวิชชาเนี่ยคือการไม่รู้สึกตัวหรือความลืมหลงหรือการไม่รู้เท่าทันคือรู้เท่าไม่ถึงการเรียกว่าอวิชชาหมดเราก็มาสร้างความรู้ตัวขึ้นมาสร้างความรู้เท่าทันขึ้นมาสร้างความรู้รอบครอบขึ้นมาวิธีการสร้างก็คืออย่างที่เราทำและวิถีของวิปัสสนาคือมาสร้างความรู้สึกตัวทางกายก่อนเพราะว่ามันเห็นง่ายมันสังเกตง่าย แต่ความจริงตัวที่จะไปแก้ปัญหาคือความรู้สึกตัวความรู้สึกใจทาความรู้สึกทางใจเขาเรียกว่าปัญญาจะไปแก้ปัญหาแต่ว่าอันนั้นเป็นนามนธรรมเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เห็นต้นตอของมันได้เพราะฉะนั้นท่านก็ฝึกให้เริ่มไปจากการเรียนรู้จากกายว่าความรู้สึกตัวทางกายเป็นอย่างไรแต่ความรู้สึกตัวทางกายนี่ก็ซับซ้อนอีกก็คือมันมีความรู้สึกตัวที่ยาก กลางละเอียดความรู้สึกหยาบคือสิ่งที่เราเห็นได้เช่นภาพตาอาปากยกแขนยกมือเท้านี่เห็นได้ด้วยตาความรู้สึกตัวทางกลางไปยังไงก็คือความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในตัวเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึ ง, งไว้เจ็บปวดเรามองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่ต้องรู้สึกด้วยใจแต่ความรู้สึกกายแบบละเอียดตรงไปอีกก็คือ มองไม่เห็นด้วยความรู้สึกแต่สัมผัสด้วยความรู้สึกที่ละเอียดเช่นชีพจรเต้นการแตกขยายของคลื่นและเซลล์การเคลื่อนของเลือดและหลงภายในกายเราสัมผัสด้วยความรู้สึกธรรมดายากแม้แต่ความรู้สึกเหล่านี้ก็เราก็ยังสังเกตไม่ได้ทั้งหมด แม้แต่ว่าไปความรู้สึกทางกายก็ดาำทั้งสามชั้นจากกลางละเอียดเราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้อีกแล้วแล้วเล่าเพื่อให้อะไรเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้เกิดประสบการณ์เพื่อให้เกิดปัญญาระดับต้นเนี่ยให้ได้เรียกว่าสิตามยะปัญญาดังนั้นปัญญาระดับนี้ก็ต้องถูกสร้างขึ้นก็เริ่มต้นโดยการจุดที่รู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะ การที่จะรู้ความรู้สึกทั้งสามระดับแค่ใช้สติสัมยาะก็สามารถสำเร็จได้แล้วเพราะนั้นเราจึงพัฒนากำลังของสติสัมยาะเพื่อที่จะไปรู้ความรู้สึกทางกายทั้งส่วนอยากกลางละเอียดให้ได้ะนั้นเราจึงฝึกแล้วฝึกเราฝึกให้มีกำลังแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาที่จะฝึกมันก็จะไม่เห็นความสาคัญเราทาบ้างไม่ทาบ้าง ขวัปัญหาของเราคือไม่มีศรัทธาหรือมีแต่มีศรัทธาน้อยเกินไปเราจะฝึกจริงจริงย่างจริงจนเมื่อเราต้องการแต่เมื่อเราไม่ต้องการเราก็ทิ้งไปอีกกลับไปอยู่ของเดิมอีกจะเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อนั้นแค่เฝ้าดูศึกษาทางกายแล้วก็ยากอยู่แล้วนี่เพราะศรัทธาเราไม่มั่นคงที่จะศึกษาแต่คนไหนมีศรัทธามั่นคงก็จะศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าที่ไหนเวลาใดก็ตามจะสังเกตศึกษาเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องทั้งหยาบกลางละเอียด อันนี้คือความยากของมันในระดับต้นนั่นเองนันในช่วงเช้าเนี่ยเราได้เรีนรู้สาเหตุของรูพระและรลคะก็น่าจะพอในส่วนโทรสารและบุหะค่อยว่ากันวันต่อไปอันนี้เพื่อที่จะนำไปศึกษาดูตองที่เราฟังฟังไปแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่นำไปลงภาคปฏิบัติไม่นำไปทำไอสิ่งที่เราฟังไปก็ไม่มีประโยชน์หรือลงหลเลง้ลงๆผ่านไปเฉยๆเราจะต้องเอาไปศึกษาดูไม่ใช่ฟังแล้วเราก็ฟังแล้วฟังเลยว่าวันนี้ลองเอาฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งสติสัมยาะเราไปสังเกตความรู้สึกทางกายในส่วนยากส่วนกลาง ส่วนละเอียดดูว่าทําได้ไหมแล้วรู้สึกอย่างไรตอนเย็นเรค่อยมารายงานกันถ้าไม่อยงนั้นแล้วถ้าเราพูดไปแล้วถ้าอาไม่ไม่เอาไปพิสูจน์เราก็ไม่รู้ว่ามันที่พูดมันถูกหรือมันผิดต้องเอาไปพิสูจน์ดูคําสอนพระพทธาไม่ใช่จะต้องจําแต่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์สิ่งที่ผมเลือกตอมาเข้าใจมันถูกหรือมันผิดก็ต้องไปพิสูจน์ ถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วมันไม่มันไม่ใช่ก็แสดงว่าไม่ถูกถ้ามันใช่ก็แสดงมันถูกทีเราก็มาดูว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้งามาดูเอาพิสูจน์ถูกแล้วพิสูจน์ผิดตั้งใจพิสูจน์มีสถานในการพิสูจน์หรือฟังตั้งใจฟังแต่ว่าไม่ไม่เอาไปพิสูจน์ก็ได้ประโยชน์น้อยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีเวลาจํากัดก็เอาไปศึกษาปฏิบัติ ด, ดูในสิ่งที่พูดเช้านี้แล้วตอนเย็นก็ค่อยมา คุยกันว่าที่ตอนเช้าเนี่ยว่าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสังเกตความรู้สึกอยากความรู้สึกคิดเนี่ทั้งในส่วนกายตอบสนองอย่างไรเอาไปดูในส่วนกายสะก่อนเพราะเราทําได้ดีแค่ไห น, นแล้วก็ไปดูสันใจในภายหลังไปดูส่วนกายทั้งเจ็สิบเซแต่ใจคนเยอะมันมาคุคงจะรู้แค่สามสิบเอร์เซ็นต์นะ ฉะนั้นในชุมเชาานี้ก็เอาไว้ทางนี้นะครับเราก็มีก็ในวัดชาวเย็นกันตามปกตินัางภาวนากันต่อังละสิบนาทียี่สิบนาทีหรือมีึงชั่วโมงแต่ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนะเขาบอกอีกสามสี่วันก็จะ สองสวันก็จะฝนตกอีกซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต่างกว่าทุกปีซึ่ทุก ป, ปีในช่วงนี้เดือนพินาเมษาเป็นเดือนที่ร้อนจัดๆร้อนจนก็ทังอยู่ในศาลา น, นไม่ได้อับอ้าวแต่ปีนี้ปรากฏว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่ให้เห็นเรื่อยๆจกตีวันไปภูเขาไฟน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดปรากฏการไปแล้วก็มลพิษสารพิษต่างๆกระจายไปทั่วโลกดังนั้นเองเราทั้งหลายก็จะทำอะไรได้จะไปช่วยกันป้องกันในจุดไหนก็ไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติ เอาเป็นกรรมรวมของมนุษยชาติที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงแม้เราไม่มีส่วนร่วมแต่เหมือนก็ได้มีส่วนเพราะเราไม่ไปต่อต้านไปคัดค้านไปอ่ร า, ารณรงค์บอกให้เขาหยุดในการการะทำนั้น น, นกรรน็เหมือนว่าเราเอออห อ, อบบกก็ด้วยกับที่เขาทำเพราะเราเฉยแบบไม่รู้นะก็เลยต้องรับกรรมรวมไป แต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่ไปทํานั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่อันนั้นก็คือการแผ่เมตตาการขอร้องให้กับคนที่มาที่ไปนี่หน้าที่ไปทําก็ถือว่าได้ทําหน้าที่แล้วแต่เขาทําไม่ทันเพื่อน้องเขาเราก็จะไม่รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเราก็จะมีที่ไป ที่หลบภัยของเราที่ที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทางด้านหันเข้าหาทางด้านธรรมะหันหาปข้าหาทางด้านพะระธัตนาไตรที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นที่ภูเขาหรลบถ้าใต้ดินบนฟ้าโลกอื่นไม่ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีกรรมได้การที่เราจะหนี กรรมได้ก็คือการเข้าสู่ร่มแห่งพระธรรมไต ร, าตราอาศัยร่มพระธรรมไต ร, ตรไปที่พึ่งทําไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็เพราะว่า <c oughs> ภัยต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาที่กายมันมาที่ใจเราก่อนความกระเพื่อมของข่าวสารความกระเพื่อมของเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะใจเรารับรู้ เมื่อรับรู้แล้วเราก็ได้สั่งสมอกุศนและจิตสั่งสมอาคุณศนธรรมเข้าไว้ในใจของเราเรื่อยๆต่อมาเมื่ออกุศนที่เราเก็บสั่งสมที่การรับยินได้ฟังมานี้ได้มีพลังมันก็จะสื่อกับพลังข้างนอกพลังข้างในเราก็จะได้รับภัยพิบัติเั่นด้วย แต่ถ้าสมมุติว่าในโลกนี้เกิดเหตุการณ์และเกิดข่าวอันเป็นกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นแต่ว่าเรารับรู้ในฐานะเป็ น, นรูปเป็นนามไม่ใช่เป็นกุศลหรืออกุศลเหนือกุศลแลอกุศลรับรู้ว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามเราไม่จําเป็นต้องไปตนกตกตกตื่นหรือไปวิภาษควิจารณ์ไปเกิดวิตกกังวลกับเหตุการณ์เหล่านั้น เราไม่มีเราก็ข่าวดีข่าวร้ายก็รู้เฉยเฉยแล้วก็ปล่อยวางไปเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ได้ก็รู้เฉยเฉยก็ปล่อยวางไปเพียงรูปเพียงนามนี่เราจะอยู่เหนือเราจะอยู่เหนือเหตุการณ์เหตุวิบากเหล่านี้จะไม่เข้ามาสู่จิตของเราเพราะเราเพียงสติวรู้ก็ปล่อยวางไปนีการที่คนจะรับรู้ในลักษณะอาการอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นต้องมีการฝึกฝน จิตใจต้องมีวิปาาัสนาญาณทำใจให้ตรงทำใจให้บริสุทธิ์ได้ <c oughs> ด้วยการ <c oughs> รับรู้สิ่งอกุศลเหล่านั้นเ <c oughs> ม่ว่าภัยพิบัติ้ะเกิดจากการภัยธรรมชาติเศรษฐกิจการเมืองสังคมภยัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้จะ ทำร้ายอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งสมเชื้อของภัยเหล่านั้นเข้าไว้ทําไมจึงไม่สั่งสมก็เพราะว่าเรารู้เท่าทันแล้วเราไม่รับเข้ามานี่ที่ว่าเราอาศัยพระนรตะแล้วจะพ้นคืออาศัยอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าเข้าไปวัดวา่าอารามไปรักษาศีลให้ทานแล้วมันจะพ้นไม่ใช่แต่ต้องมาทําวิปัสสนาให้ถูกต้องแล้วมันถึงจะ หลบภัยอันนี้ได้เพราะเราไม่สั่งสมเชื้อและภัยอันนั้นไว้เราก็ระวังด้านอาหารการกินด้านอยู่ด้านกินด้านไปการไปการมาอะไรต่างๆที่มัจะทําให้เกิดความเครียดความลําบากต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียแล้วก็มีการาในอยู่ที่ที่มันไม่มีความเสี่ยงต่างๆซึ่งพอหาได้นะ อย่างเช่นเรามาอยู่ในป่าในเขามาอยู่ในที่สงัดวิเวกซะไม่เป็นที่มาของข่าวสารใดๆอันนี้ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งถ้าเราอยู่ในที่เจริญข่าวสารเข้าถึงไปไงเดี๋ยวโทรทัศน์เดี๋ยวอินเทอ ร, ร์เน็ตเดี๋ย ว, เ, เ, ยวเว็บไซต์เดี๋ยวนังสือพิมพ์เดี๋ยวเสียงตามสาย มาตามลำดับถึงแม้กันนั้นมันก็มีโทรศัพท์มือถือเข้ามาได้ดนะ้วยเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี้เรียกว่าคลื่นไม่ดีถึงรับโทรศัพท์มือถือได้แต่ว่าไม่สามารถจะเข้าไปเน็ตไปเว็บไซต์อะไรได้ง่ายนักอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สกัดกัน้นข่าวอันเป็นอกุศลทั้งหลายสกัดกัน้นกระแสมลพิษทั้งหลายได้ระดับหนึ่งนนั้นเองคุณที่มี นิสัยหรือมีบุญที่จะได้พึ่งระนาไตรก็สามารถเข้ามาสู่สถานที่เหล่านี้ได้โดยที่ไม่มีประสัยปัญหาแต่คนที่บุญกุศลไม่เพียงพอแม้จะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็วิ่งไปหาภัยเหล่านั้นเอ ง, อ, งออกไปรับภัยเหล่านั้นเองแต่คนที่มีบุญกุศลแล้วก็จะหาโอกาสหาลีก เลียงลบเสี่ยงสิ่งเสียงทั้งหลายนี่เข้ามาอยู่ลักษณะอย่างนี้บ่อยขึ้นจนกระทั่งว่าจิตใจเกิดความสงัดวิเวกจิตใจเกิดความเย็นสนิทเย็นสบายเข้ามาได้ง่ายแต่บางคนที่ไม่ได้ถือศีลไม่ได้จเจริญภาวนาเป็นประจำถึงในที่ปลอดภัยที่ในที่สงบแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะจิตแจเร่าร้อนก็ต้องวิ่งออกไปรับภัยเหล่านั้นโดยอ วิบากกรรมมันพาไปเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามผลนันไม่ใช่เป็นเรื่องของลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าเราจะเห็นความสําคัญจุดนี้หรือไม่ถ้าเราเห็นความสําคัญเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยเหตุใกล้ที่จะให้เป็นไปได้ก็คือแสวงหาที่สงบสงัดบําเพ็ญภาวนายอยู่เสมอ การภาวนาก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยเปื่อยแล้วจะได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องทำให้ถูกต้องทำให้ถูกระบบของวิปัสสนาทางพุทธศาสนามันถึงจะเป็นไปได้อย่าถ้าหากว่ายังสแสวงหาไปตามเรื่องตามราวใครว่าดีทางไหนก็ไปทางนั้นอันนี้ก็ยังเสี่ยงยังไม่พบทางง่ายๆหรอกเพราะว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องของ คำสอนจเจ้าลัทธิต่างๆแต่แล ะ, จะเจ้าลัทธิก็จะโฆษณาชักชวนชวนเชื่อไปตามลัทธิของเขาซึ่งถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีตัวสภาวะที่จะไปกันกรองเหล่านี้เราก็ต้องคิดว่าดีหมดอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีหมดแต่มันดีอย่างไงดีแบบไหนเราไม่รู้เพราะเราไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นเองพอเรามาอย่างนี้ถือว่าเรามาศึกษาหาประสบการณ์ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแล้วก็มาศึกษาคือมาปฏิบัติ ด, ดูก็อย่างที่เราทำกันเนี่ยว่าท่านให้ทำอย่างนี้มันทำให้เกิดอะไรแล้วก็ลองทำดูทำแล้วเราบอกมันจะเมื่อมาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับกายคิดนึกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราก็เฝ้าดูท่านก็แนะวิธีเฝ้าดูก็คือการเอาสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้ไอสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราไม่เคยทำมันก็มาอยู่ไม่ได้เราก็สร้างเหตุปัใจจัยให้มันมาอันนั้นก็คือกายใช้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นที่มาของสติสัมปชัญญะเราก็ใช้การเคลื่อนไหวมันมีสองอย่างการเคลื่อนไหวโดยเจตนา การเคลื่อนไหวโดยไร้เจตนานนเราเราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวโดยไร้เจตนาหรือไรความตั้งใจ ก, กับการเคลื่อนไหวของคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกฝนการเคลื่อนไหวของสิงสาราสัตว์การเคลื่อนไหวของต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่มีเจตนาพวกนี้ก็จะไม่ไปอผลอะไรทางวิปัสสนาเพราะไม่มีเจตนาจะเคลื่อนไหวตลอดพบตลอดชาติก็ไม่มีผลทางด้านวิปัสสนา คือหมายความไม่เป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาเพราะไม่มีเจตนาแต่พอการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งมีมีการเคลื่อนไหวด้วยมีเจตนามีเจตนาคือมีความตั้งใจมีการารับรู้ตั้งใจเคลื่อนไหวตั้งใจรับรู้ในสิ่งที่เคลื่อนไหวนี่เรียกว่ามีเจตนาการเคลื่อนไหวแบบนี้จะมีผลต่อวิปัสสนาแต่ว่า เจตนาก็มีสองอย่างหนึ่งเจตนาที่เป็นไปตามอวิชชาหรือความต้องการตามันชาติยานเช่นพวกขโมยเนะี่ยมันมีเจตนาอยากจะได้ทรัพย์มันก็มีสติสมรยะตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้เจ้าของทรัพย์รู้ตัวมันเข้าไปอย่างเงียบกลิบนี่ เข้าไปแบบไม่มีใครรู้ได้ของนั่นมามีเจตนาแต่เจตนาเขาก็คือต้องการทําตามต้องการของอวิชชาตัญหาอุปาทานไงเจตนาเมื่อกั้นะแต่ต้องการเพราะมันนําได้ด้วยอวิชชาตัญหามันจึงไม่เป็นวิปัสสนาเจตนาเมื่อกันแต่ไม่เป็นวิปัสสนาเพราะมันเป็นเจต น, นาแบบสมาธิธ สัมมาแบบมิจฉาทิฏฐิมิจฉาเจตนาแต่ที่เรามาทำเนี่ยเราทำด้วยสัมมาเจตนาคือเจตนาที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เอาเอาวิชาตัญหาเป็นที่ตั้งเป็นผู้นำแต่เอาวิชาเอาปัญญาเป็นที่ตั้งเป็นผู้นำเอาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำในการเจตนาหมายความว่า เจตนาเคลื่อนไหวโดยการนำของสัมมาทิฐิโดยการนำของวิชาเจตนาะสัมปันโนนี่มันจึงมีผลต่อวิปัสสนาโดยตรงเพราะเราไม่ได้มุ่งความอยากเป็นที่ตั้งแต่มุ่งความรู้เป็นที่ตั้งว่าเราเจตนาทํานี้เพื่ออะไรให้เกิดความรู้ตัว ความรู้ตัวนี่เราจะอยากหรือไม่อยากมันก็เกิดแต่ความอยากนั้นเราจะต้องมีเจตนาที่จะให้เกิดแต่ความรู้ตัวนี่เราสามารถที่จะสร้างตัวเจตนาแบบสมาธิิขึ้นมาก็คือตั้งใจรับรู้เพราะฉะนั้นตัวเจตนาแบบนี้จะประกอบด้วยวิชากอบด้วยสติสมาธิปัญญา แทนที่จะประกอบด้วยอวิชาตัญหาอุปทานเห็นไหมมันมีองค์ประกอบที่ต่างกันดังนั้นการเคลื่อนไหวของเราจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิจึงมีผลต่อวิปัสสนานะทีนี้ตัววิปัสสนาก็จะถูกสั่งสมขึ้นทีละนิดละนิดละนิละนิดและแเมื่อตัววิปัสสนานี้แก่กล้ามากขึ้นมันก็จะทําให้เรา ตอบสนองต่อสิ่งกระทบทั้งที่ดีและไม่ดีอย่างถูกต้องไม่ได้ตอบสนองโดยสัญชตาตญาณแต่ตอบสนองด้วยปัญญาเมื่อตอบสนองปัญญามันก็มีการกันกรองในสิ่งที่รับเข้ามาในสิ่งที่รับเข้ามาเราไม่ได้รับเข้ามาโดยไม่พิจารณาหรือไตรตรองเมื่อเรา รับเข้ามาปับ๊บเมื่อพิจารณาแต่งต้องแล้วมันเป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นกุศลเราก็ถึงจะรับเข้ามาใช้ถ้าเป็นอาุศลเราก็สลัดไปปล่อยผ่านไปโดยไม่ให้เข้ามาแต่ในส่วนที่เป็นกุศลก็เช่นกันต้องรู้ด้วยว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ปล่อยผ่านเหมือนกันมันก็จะเหลือแต่ความรู้รุ่นร้วน ทั้งกุศลก็ไม่เอาอากุศลก็ไม่เอาลักษณะที่เป็นความรู้ล้วนๆ น, นี่เองเรียกว่าวิปัสนาญาณ น, นี่เมื่อเรามีวิปัสนาญาณในการรับรู้การเสพสิ่งที่เป็นกุศลอกุศล ก, ก็ไม่เกิดขึ้นจิตของเราก็สะอาดจึงไม่เป็นที่มาของภัยทางด้านนามธรรมนะภัยรูปธรรมนี้เราหลีกเลี่ยง ได้ง่ายเช่นอารูปไม่ดีกินไม่ดีเสียงไม่ดีรถไม่ดีสัมผัสไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะจลบเลี่ยงได้แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ดีความคิดไม่ดีหลีกเลี่ยงยากแม้แต่ความคิดดีอารมณ์ดีก็หลีกเลี่ยงยิ่งยากเข้าไปอีกแต่ถ้าเรามีวิปัสสนาแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายคือรู้แล้วก็สลัดทิ้งไปรู้แล้วไม่ไปเสพ รู้แล้วไม่ไปสุกรู้แล้วไม่ไปเอารู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยอ่าเส้นตาเห็นรูปสวยเราแทนที่เราจะอยากได้แล้วก็รู้เฉยเฉยอะนี่ไอความอยากก็เข้าตาเราไม่ได้ผ่านตาเฉยเฉยหูได้ยินเสียงเรารู้สึกว่าไพเราะแต่ว่า เราไม่แพรร้อด้วยเรารู้เฉยๆผ่านไปนะอันนี้คือความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือที่มาของวิปัสสนาดะงนั้นการที่เรามาศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องวิเศษมากๆนะคนที่มีบุญเท่านั้นนะได้แวะเวียนเข้ามาถึงจะบุญไม่มากกระามแต่ว่ามีโอกาสได้ผ่านเข้ามา บุญน er <me> ี้ก็จะมากขึ้นถ้าหากว่าได้ทำเรื่อยๆนะถ้าได้ทำเรื่อยๆมีศรัทธาเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความเพียรขึ้นเพิ่มสติขึ้นเพิ่มปัญญาขึ้นก็บุญก็เพิ่มขึ้นแต่เราอยากจะเพิ่มบุญก็เพิ่มศรัทธาเพิ่มความเพียรบุญก็เพิ่มใจเราอยากจะได้บุญแต่ว่าเราไม่เพิ่มสิ่งเหล่านี้มันก็บุญคนเรานี่ก็แปลกนะถ้าอยาก จะได้ก็ได้ของดีๆเห็นเขาได้ของดีๆก็อยากจะได้เห็นเขาได้เงินได้ทองก็อยากจะได้เขาเห็นได้รถได้บ้านได้ที่ได้ทางก็อยากจะได้กับเขานะแต่เห็นเขาได้ไม่ได้เ็เห็นเขาได้แล้วตัวเองไม่ได้ก็น้อยเนื้อต่ำใจอิจฉาวิทยากันไปนี่คนแต่เวลาเขาบอกให้มาสร้างเหตุเออมาสร้างเหตุสร้างบุญกุศลสร้าง วาสนาบาลมีกับไม่สนใจแต่เวลาอยากจะได้กับจะเอามันเรื่องแปลกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคนเราจึงายากดีมีจนต่างกันมีรู้มีความรู้มีปัญญามีความโง่ความฉลาดต่างกันก็เพราะว่าเราสนใจเหตุต่างกันถ้าเราสนใจเหตุว่าเราต้องการอะไรล่ะต้องการศีลแล้วก็สั่งสมเหตุของศีล เราต้องการสมาธิก็สั่งสมเหตุของสมาธิเราต้องการปัญญาก็สั่งสมเหตุของปัญญามันก็จะได้สิ่งนั้นหรือเราต้องการทรัพย์สินเงินทองก็สั่งสมเหตุปัจจัยของเงินของทองเราอยากจะได้สิ่งไหนก็สั่งสมเหตุของอนนั้นมันก็จะได้อันนี้เราไม่เคยสั่งสมเหตุปัจจัยมาแต่ถึงบทเห็นเขาได้เราก็อยากจะได้ด้วยโอ้มันก็อยากคนก็เลยไม่ยากตรงนี้แหละมันก็เลยจนอยู่เรื่อยไป สั่งสมก็สั่งสมน้อยๆสั่งสมมากก็ไม่ข้าเอาอีกทำงานก็ทำงานน้อยๆแต่อยากได้เงินเยอะปฏิบัติก็ปฏิบัติน้อยๆอยากจะรู้มากๆเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นเองเราก็ต้องหรืออยากี่มีสุขภาพดีไม่อยากจะให้มันปวดมันเมื่อยม่อยากจะให้มันเจ็บมันป่วยแต่เราก็ไม่สั่งสมเหตุเราไปสั่งสมตรงกันข้าม อยากได้สุขภาพดีมีอายุยืนเราไปกินมากอยู่มากนอนมากกินของสแสลงกินของพิษกินตามใจปากอยากตามใจท้องมันก็สุขภาพก็ดีไม่ได้เพราะเราไม่ได้สั่งสมเหตุที่ถูกต้องดังนั้นอันนี้จึงเป็นเหตุสำคัญที่เราจะต้องรีบมาศึกษาเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็เราก็ ไม่ใช่ง่ายนักนะในการที่เราจะมาศึกษาบางทีเราตั้งใจไปวัดนั้นวันนี้แต่ถ้าไม่เจอตรายานิวิตไม่เจอครูบาอาจารย์พาเราปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้อีกมีโอกาสวาสนาเข้าวัดวา่าเขาจริงมีโอกาสวาสนาได้พบพระสงฆ์องค์ขาเจ้ า, จาก็าจริงแต่ว่าก็ไม่ได้พบสิ่งที่เราต้องการได้พบกับสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็ไม่เกิดบุญกุศลเหมือนกันถึงจะมีโอกาสได้พบนะ ดังนั้นเองการที่เราได้โอกาสได้พบแล้วยังมีโอกาสได้เกิดบุญกุศลโอกาสได้ฝึกฝนปฏิบัตินั่นเป็นโอกาสพิเศษเราต้องไม่ละเลยนะดังนั้นเองมาก็มีหน้าที่ทำเรื่องนี้นะไม่ว่าที่ไหนสั่งสมเหตุปัจจัยมาอย่างนี้ก็ได้ทำเรื่องนี้สั่งสมเหตุปัจจัยว่าอยากได้ทำงานอย่างนี้กินอย่างต่าอยู่อย่างต่ามุ่งกระทาอย่างสูง กินอย่างธรรมดานอนอย่างธรรมดาแต่มุ่งกระทาเรื่องมรรคผลนิพพานให้ปรากฏนี่คือทําอย่างสูงมุ่งกระทาอย่างสูงคือมุ่งเรื่องแต่มรรคผลนิพพานนะแต่กินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ก็ได้ไม่ได้แสวงหาเรื่องที่อยู ok ่ท네ี่นอนไม่ได้แสวงหาเรื่องรสชาติความสะดวกสบายอะไรกินอย่างต่ําอยู่อย่างต่ําแต่มุ่งกระทาอย่างสูงแต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้กินอย่างดี นอนอย่างดีแต่มุ่งกระทำอย่างดำคือมุ่งทำตามกิเลสมุ่งทำตามอวิชชาตันทาวิานกรรมแต่ก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองมุ่งอย่างดำดังนั้นเองเราต้องการสิ่งไหนก็ให้สั่งสมสิ่งนั้ น, นไหวไหมกันะก็เปลว่าเราได้ <c oughs> ศึกษาทาความเข้าใจในช่วงเย็นวันนี้ แล้วก็ในช่วงเยน็นนี้หลังจากที่เราได้ภาวนากันภาวันไหนที่อากาศดีก็เลื่อนเวลาภาวนาถึงห้าโมงเย็นทีเดียวในอากาศที่มันเย็นมันหนาวก็แค่สี่โมงเย็นก็ไปออกกําลังกายนาะบถ้าวันนี้เราเลือกห้าโมงเย็นก็ได้ทํางานอีกหนึ่งชั่วโมงการหยุดยาซ่อมแซมหลังคาที่มันรั่วมันเสีย เพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยเราได้มาด้วยเงินของประชาชนเราอันไหนที่มันไม่ดีก็ต้องซ่อมต้องสร้างให้ดีท่มาได้บอกฝากพระฝากชี้ไว้เสมอว่ากุฏิแต่ละหลังถึงแม้ไม่มีคนอยู่ก็คนเขาไปทําความสะอาดปัดกวาดเอาไว้เสมอให้เทวดามาอยู่แทนผู้ผีเทวดาเป็นสมาธิได้มาอยู่ถ้าเราเขามาเห็นรกกลุงหลังเขาก็ ไม่อโมุทนาก็ไม่ช่วยให้อยู่แบบอดดุดอยากแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นกุฏิได้หลังสะอาดสะอ้านเขาก็มาอยู่ได้พักเขาก็สามารถช่วยให้เราได้อยู่สะดวกสบายพอสมควรที่หลวงพ่อเน้นบอกอย่างนั้นก็เพื่ออย่างนั้นคนไม่อยู่เทวดาอยู่เทวดาไม่อยู่พระพรหมอยู่พระพหมไม่อยู่ก็ ผ, มมผู้เป็นผู้ผีปีศาจ ที่เป็นสมาธิฐิเขาก็ไม่อยู่ได้ไม่ใช่ว่าคนไม่อยู่แล้วปล่อยทิ้งไว้เท่า น, นั้นพอให้รั่วพอให้บางกุฏินี้ทัานที่นอนมอนมุง้งเสือส่อสาดอาสนะถ้วยโถชาววนี้เก็บลงมากองหลวงพ่อไม่อยู่ก็ไม่มีใครดูแลบางทีดังนั้นเองก็เขาฝากเอาไว้คนอยู่ต้องดูแลส่มแซมนะเพราะว่าเขามา ถาวายเราเนี่ของเด่เขาหามาได้เงินทองของข้านี่เขาอดเงือดจางอดหลับอดนอนทํางานเหงือดจางน้ํากว่าจะได้ทรัพย์สินมาให้เราแต่ชิ้นแต่อันรอมาแล้วมาปล่อยทิ้งปล่อยคว้างปล่อยใครทำรูชื่อสุมเนี่ยแว่าไม่รักษาทรัพย์เขานะเทวดาอินพรมเขาก็ไม่อมูทนานะ นั้นเองนี้เรื่องนี้สําคัญนะคนไม่เห็นความสําคัญแต่ามาทุกทุกแห่งที่มาไปอยู่มาให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้เชื่อว่าได้ใช้ทรัพย์ของคนอื่นก็เมือนทรัพย์ของเราเราละเลยทรัพย์ของคนอื่นก็เหมือนละเลยทรัพย์ของเราเพราะฉะนั้นได้บอกฝากไว้เสมอว่าเมื่อลุงพ่อไม่อยู่กุฏิทุกหลังเนี่ย ทุกเย็นเมื่อภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยไปทําความสะอาดวันละชั่วโมงก็เลือเฟือและวันละหลังสองหลังดูแลไปวันนี้หัง น, นี้ไม่สะอาดก็่อนต่อไปค่อยทำเก็บกวาดแล้วก็คนที่มาพักพ่าใส่ถ้าไม่ตั้งใจมาปฏิบัติไม่อยากจะรับจะอยู่คนเดียวก็ก็ดีกว่าเอาคนเกะ ก, กะมาอยู่มาเพิ่มงานให้เรามาเพิ่มภาระให้เราแต่คนที่เข้ามาเขาตั้งใจปฏิบัติเขาจะมีความรับผิดชอบ เขาจะมีเฮริโอตาปอายชั่วกลัวบาปไม่ใช่มาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเสือไม่ได้ไปก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะนะเสือศาสตร์ก็พังหาอะไรมาไว้ก็มาหาไม่เจอแล้วก็ห่มที่นอนมอนมุง้งกดกดมุ้งก็แปลกนะกลางกลางมุ้งไม่พอเอากดไปคุมอีกดูมันจะเหลือเฟือหรื อ, อยังไงไปรู้นะใช่ กดตั้งหลายหลังสิบกว่าหลังเต้นก็หลายหลังก็ไม่มีเสือก็เอาไปปูกับพื้นปูขึ้นกินมังมอดขึ้นกินมังเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันน้อยคนแต่เราคอยทําทยอยไปเรื่อยๆวันละหลังสองหลังทําทุกวันก็สะอาดของก็ไม่เสียหายฝนก็ไม่รั่วเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะเราไม่ใช่รักษาให้ไม่มีคนมาปล่อยไม่มีใครมาพักหลองหลวงพ่อไม่ต้องไปทําอะไรมันสะอาดมากมายคิดผิด คนไม่อยู่เทวดาอยู่เทวดาไม่อยู่พระพรหมอยู่พระพรหมไม่อยู่พระอริยเจ้าม่อยู่พระอริยเจ้าม่อยู่ผีสางเทวดาผู้เป็นสมาธิทิเข้ามาอยู่แล้วเขาจะมูทนานะเพราะฉนั้นต้องความขยันคือความเพียร น, นั่นเองนะเขาทำอานะจารย์กรรมท่านดีอาจารย์กําท่านคอยส่อมแซมตรงไหนตรงไหนเสียท่านทำตลอดนะนั้นก็ต้จะมูทนาในะจุดนั้นด้วย แต่ผู้ที่จะต้องทําความสะอาดต่อไปก็ต้องพยายามช่วยกันใหอวัดนะปฏิบัติให้เป็นเวลาทํางานให้เป็นเวลาหลวงพ่อจัดไว้ไม่รู้กี่ปีแล้วนะให้ทํานี้เสมอช่วงเช้ามินทาบาททัตทำอาหารเสร็จแปดโมงถึงสิบโมงภาวน า, า, วนาช่วงบ่ายทำข้อทำอะไรเสร็จบ่ายโมงถึงสี่โมงห้าโมงเย็นวันไหนอากาศไม่ดีก็สี่โมง หรือาบน้นอาบท่างานเราในอากาศดีโปรง่งลงถึงห้าโมงก็ได้ทำงานสักชมมั่วโมงหนึ่งหกโมงถึงห้าโมงถึงหโมงอย่างเราทำวันนี้ก็ได้งานทั้งเยอะนะดังนั้นอันนี้คือวิธีการรักษาสถานที่ให้สง่างามสะอาดสะอานอยู่เสมอไม่ใช่ไปที่ไหนมีแต่ความรกลุ่ลังนะเดียรลาด เสียสัดอาสนะเข้าหมาเข้าไก่เต้มจากเข้าแห้งขายองพ่อไม่เคยสนับสนุนพวกตะกเข้าแห้งขายข้าวมันเหลือก็ใส่รถกลับคืนไปแจกชาวบ้านคืนเข้าไปยวอามาอตากขายเป็นแบบวัดบ้านมันไม่ได้มันผิดฉลุของเราดังนั้ น, น, นมันก็ให้เกิดความเกียดกเขาก็ซุกกระปุกไงมากาไก่ ม, กากามาอยู่ด้วยก็ทำให้วัด ป่ากลายเป็นวัดบ้านไปได้นั้นก็ช่วยกันใครมาอยู่ก็ช่วยกันทุกคนเป็นเจ้าของนะไม่ใช่แขกพวกเรามานี่เราเป็นเจ้าของเพราะเราเคยมาบริจาคมาทําบุญมาช่วยกันสร้างเป็นเจ้าของทุกคนเรามาอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของเราจะทําให้ดีเหมือนบ้านเราแหละรเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้มาอาศัยแล้วก็ไปไม่ใช่ขอให้มาแบบบ้านเรามาอยู่บ้านเรา นึกถึงบ้านหลังนี้แล้วก็มาอยู่แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันซ่อมแซมเราก็จะสุขสบายคู่ใดว่าก็เกิดความประทับใจอยากมาอีกแต่มาแล้วเขาไม่เห็นความเกลกะลุกลุ่มังเขาก็ไม่อยากมาเพราะเทวดาไม่รักษาแล้ว น, นั้นก็ถึงข้อนมุทนาสาธุผู้ที่ตั้งใจช่วยกันากาัดดอไปก็ขอให้มีความสบายกายสบายใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ได้กันทุกคนทุกท่านเถินี่ก็ในะช่วงเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่สองเื็นไม่สาแล้วอากาศ ก, ก็เริ่มอุ่นขึ้ น, นการทวาสวมนลช่วยให้เราได้ตั้งสติไม่ใช่เพื่อ ให้เกิดครั้งศักดิ์สิทธิ์เลยเพื่อให้เกิดบุญกุศลแต่เพื่อให้เราได้ตั้งสติตั้งสมาธิจิตของเราที่มันปุงแต่งฟุ้งไปกับเหตุการณ์ต่างๆอดีต <c oughs> <c oughs> เวลาเรามาศึกษาบทสวดมนต์ก็ทำให้ความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นได้หยุดชะ ง, งักไป พักๆดังวุติจิตของเรานะ่ยความคิดของเรามันจะไหลไ ป, ไปเรื่จากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งมันก็เลยทําให้เราสูญเสียกําลังของจิตจิตของเราเนะี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีกําลังคนก็เลยความสามารถมากมายเนี่ยก็เลยไปความสามารถไม่มีไ ม, ม่น้อยลงไปเหมือนกับแบตเตอรี่ที่มันอ่อน เครื่องจะดีขนาดไหนลดนะแบตเตอรี่อ่อนหรือแบตเตอรี่หมดยี่ห้อดีขนาดไหนก็สตาร์ทไม่ติดคนเราเหมือนกันแบตเตอรี่คือพลังของสติสมาธิปัญญามันอ่อนอย่าสมองดีขนาดไหนความคิดดีขนาดไหนก็ไปไม่รอดฉะนั้นการชาร์จแบตเตอรี่คือการทําสติสมาธิให้เข้มแข็งไว้สเสมอเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟให้เต็มไวเม้เสมอ พร้อมใช้งานทีนี้ไอแบตเตอรี่มีมี2ลักษณะหนึ่งแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่โมบิลหมายถึงใช้ชั่วคราวย้ายไปย้ายมาได้ข้างนอกอย่างที่เราชาร์จจากโซลาเซลล์ชาร์จจากเครื่องชาร์จเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ที่เป็นเทมปอรเรีเป็นชั่วคราวก็ เ, เหมือนสมรากรรมาฐาน คอยชาร์จเป็นข้าวคลาวไปแต่ที่นี้วิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ติดไดสตาร์ทสตาร์ทรถเมื่อไหร่ก็ไฟก็เข้าหม้อมันชาร์จโดยออโต้ชาร์จวิปัสสนาเหมือนกันถ้าฝึกจนได้ที่แล้วเนี่ยมันจะออโต้ชาร์จเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราก็คือ ทุกแหละที่มันดังมันจะถูกกําหนดทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องศึกษาทุกเข้าใจเมื่อเรากําหนดรู้ทุกกําหนดรู้การเคลื่อนไหวกํำหนดรู้ความเป็นไปในกายทั้งหมดปับ๊บมันจะชาร์จทันทีชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่แห่งพลังชีวิตชีวิตเราก็จะมีพลังทันทีเพราะฉะนั้นเร า, เาต้องติดออโต้ชาร์จทันใดก็เริ่มเป็นออโต้ ตามภาษากรรมฐานเรียกว่าเป็นประมาติรดังนั้นเองเราก็ต้องอมีทั้งสองแบบน่แหละทั้งที่เป็นแบตเตอรี่ชั่วคราวเมื่อจำเป็นจะต้องใช้ไฟข้างนอกอนี้เราก็ไม่มี อ, ออตโต้ชาร์จเราก็ใช้ได้แต่ว่าเราขยันชาร์จ แต่เมื่อใดเรา <c oughs> ต้องเดินทางหรือทำงานก็ต้องใช้แบตเตอรี่ชาร์จใดสตาชาร์จนั่นหมายความว่าบางครั้งเราก็ใช้สมถะบางครั้งก็ใช้วิปัสสนาแต่สมถะในที่นี้เป็นสมถะแบบพุทธไม่ใช่สมถะแบบพรามสมถะแบบพรามก็คือ <c oughs> เอาตัวความตั้งใจเนี่ย ไปใช้ให้เกิดพลังทางที่ไม่เป็นปัญญาเช่นไปเกิดพลังขังศักดิ์สิทธิ์มุนหรือเป็นอำนาจเป็นไสยศาสต ร, ร์หรือเป็นการเสกอะไรต่างเสกวัตถุให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมานะนี่เขาเรียกว่าเป็นสมถะาแบบพรามซึ่งมีโดยเป็นพื้นฐานของเมืองไทย เพราะนั้นชาวพุทธไทยของเราจึงเป็นชาวพุทธที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นสมถะสมถีแบบพรามแต่ถ้าหากว่าเป็นสมถะแบบพุทธก็คือสมถะที่แปลพลังความเคลื่อนไหวและความทุกข์เหล่านี้ให้เป็นพลังของปัญญามีเป็นสมถะคือเป็นพลังของวิปัสสนานั่นเองเป็นสมถะที่หนุนวิปัสสนาสมถะแบบพุทธ น, น, นั้นสมถะแบบนี้ก็ใช้ได้ เมื่อใดไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์อะไรมาลบปวนจิตเราก็ใช้สมถะก็คือมาดูกายพิจารณากายพิจารณาเวทนาตรง น, นี้ก็เรียกเป็นสมถะแต่เมื่อมีความคิดมีอารมณ์อะไรเข้ามาสู่กระทบจิตทำให้เรารู้สึกคิดรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกต่าง ความรู้สึกทางจิตเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าเราใช้วิปัสสนาเข้าไปพิจารณาอันนี้เรียกว่าเป็นเราใช้แสงสว่างแบบใดชาร์ต ท, ที่เป็นออโตโชาร์ตอยากจะเห็นว่าถ้าเราใช้ให้ถูกต้องชีวิตของเราก็จะไม่มีอุปสรรคและปัญหานั่นนี่คือเองเข้าใจลักษณะแบบ น, นี้ ที่ในการฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยให้เราเห็นการทำงานของทั้งสองส่วนให้ชัดเสมอส่วนทางรูปกับนามว่าส่วนทางรูปการเกี่ยวข้องทางรูปก็คือใช้สติสมาธิเข้าไปกำหนดกายกาหนดเวทนาอยู่เสมอกายกับเวทนานี่เป็นตัวรูปจิตและ ทำเป็นนามเพราะฉะนั้นในในส่วนรูปตรงนี้ก็จะใช้สมร t a เข้าไปเกี่ยวข้องคือเข้าไปกำหนดรู้ไปศึกษาไปพิจารณาไปเข้าใจอาการต่างๆว่ามันเป็นรูปมันไม่ใช่เราถ้ามองเป็นเราเมื่อไหร่ปัญหามันเยอะถ้ามองว่าเป็นรูปเฉยๆคือรู้คือรู้ว่ามันเป็นเป็นรูป เขาว่ารู้เป็นรูปไม่ใช่เป็นนึกเป็นอาการตัวเราหรือ ต, ตัวอาการสาบสองตัวอาการเชื่ออะไรนามอะไรลูกเต้าเหล่าใครเป็นอะไรไม่ใช่นึกแบบนั้นนะนึกถึงรูปนึกถึงรูปคือนึกถึงอาการที่มันปรากฏอาการของรูปเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะเรามีอาการอาการอะไรอาการของเวทนานีคือนึกถึงรูปหมายถึงมีนามไปในตัวเช่น เวลาเรารู้ว่าเรามีอยู่เพราะเรารู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี่อาการของรูปให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่นึกเป็นภาพขึ้นมาว่าเป็นหาสี่เป็นตัวตนเป็นอาการซ้นสองพ้นควาเลือนกะหนังไม่ได้นึกอย่างนั้นถ้านึกถึงรูปในแง่ของวิปัสสนาแต่นึกถึงรูปในแง่ของวิปัสสนึกถึงอาการ อาการของทุกขเวทนาต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงเจ็บปวดปรากฏตลอดเวลานี่คืออาการของลูปเมื่อพิจารณารูปให้พิจารณาอาการของรูปไม่ใช่นึกถึงรูปนะอันนี้คือสมถะที่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาแต่ถ้าสมถะที่เป็นไปเพื่อแบบเกิดเท่าลังนึกถึงรูปที่เป็นรูปจริงๆ าอารูปนั้นมาเพ่งเพ่งผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของนึกไปแล้วเอาจิตมาคุ้นคิดกับสิ่งมันก็เป็นสัญญาเป็นสังขารไม่ใช่เป็นรูปแบบวิปัสนาถ้ารูปวิปัสนาให้ไม่ต้องนึกมันสัมผัสได้เลยนะี่ยขณะนี้มันปวดขณะนี้มันง่วงนึกได้เลยสัมผัสได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นในลักษณะรูปที่เป็น นึกถึงรูปที่เป็นสมถะเพื่อวิปัสสนาก็คือรูปที่เป็นอาการไม่ใช่รูปที่เป็นก้อนเป็นดุปเป็นแทงนะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติวิปัสสนาที่มันก้าวหน้ายากเพราะว่าเราเราพิจารณารูปนามไม่ถูกไงมันก็เลยปนกันเราไม่เห็นชัดไว้ก็นึกถึงรูป ก็หมายถึงตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่รูปอันนี้ถ้าเป็นรูปแลบวิปัสนาแต่มันเป็นรูปของเวทนาคนตายเนี่ยเขามีรูปก็จริงแต่ว่าไม่ใช่รูปเขาถึงเรียกว่าศงคนตายถึงไม่เรียกว่ารูปเรียกว่าศพแต่เราเรียกว่ารูปเพราะอะไรเพราะมันมีนามอยู่นะนามเนี่เป็นตัวแสดงว่ามีรูป มีเย็นร้อนออนแข็งเข่งตึงมีเจ็บมีปวดมีอาการให้เห็นมีการเคลื่อนการไหวการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายแต่ทั้งหมดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องนึกถึงภาพเห็นเลือดมันเดินเห็นโลมมันเดินไม่ใช่แต่เห็นอาการโดยรวมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี่แหละมันเป็นอาการของธาตุสีทางานอยู่เป็นอาการของน้ำทํางานอยู่แต่ออกมาเป็นอาการนะเพราะฉะนั้นเวลาเรา ทำความเข้าใจอย่างนี้ตัวตนของเรามันก็จะค่อยสลายไปคือนะความสําคัญมันหมายในแง่ของรูปของเรานะ่ยมันค่อยสลายไปสักยทติถิมันก็สลายไปแต่คนทุกวันในปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเท่าไหร่สักยทติถิไม่ได้ลดมณฑิถิไม่ได้ลดว่าะอะไรเพราะพิจารณารูปไม่ถูกพิจารณารูปว่าเป็นดุนเป็นแท่งมันเป็นพิจารณรูปมันเป็นอัตตาอยู่ไม่ได้พิจารณารูปเป็นอนัตตานะี่ มันถึงออกมาเป็นอย่างนั้นทีนี้วิปัสนาวิปัสนานึกถึงตัวสภาวะที่กําลังปรากฏในจิตใจเช่นว่าในขณะนี้เราสงบหรือไม่สงบเราโปร่งใสหรือว่าขุ่นมัวในความรู้สึกในใจเรารู้สึกง่วงเหงาหรือว่าสดชื่น เห็นอาการนี่นีชัดๆตรงนี้ยเเรียกว่าเป็นหินอาการของที่เป็นวิปัสสนาตรงนี้ต้องใช้ปัญญาละเพราะฉะนั้นดูทีเดียวเรได้ทั้งสองอย่างดูสมถะก็เห็นวิปัสสนาดูรูปก็เห็นนามดูกายก็เห็นใจดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมที่ท่านพระฉะนั้นในการดูใจนั้นคือดูอาการ ไม่ใช่ไปดูใจที่มันคิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาการที่มันคิดออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยอาการใจของเราในขณะนี้ที่มันไม่คิดมันรู้สึกอย่างไรที่มันคิดอาการมันเป็นอย่างไรอาการคิดไม่คิดเนี่ยมันเป็นอนัตตาประคับบัญชาไม่ได้แต่อาการที่มันเกิดจากการอาการที่หลังจากมันคิดหรือไม่คิดเนี่ยเราสามารถจะศึกษามันได้รู้มันได้ เห็นมันได้และจัดการมันได้แต่อาการคิดไม่คิดเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้ตามต้องการเราไม่อยากคิดมันก็คิดหรืออยากจะคิดมันไม่คิดเนี่เพราะอะมันเป็นหนาตาจัดการไม่ได้แต่ตัววิปัสนาที่เขาไปจัดการได้ก็คือว่าอาการอันเกิดจากการคิดไม่คิดเนี่ยเราเข้าไปรู้ได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปศึกษาได้เนี่ย ทำอย่างนี้อยู่เสมอเสมอตัววิปัสสนาคืเข้มแข็งคือตัววิปัสสนาอาการวิปัสสนาคือตัวที่สังเกตตัวรับรู้ตัวเข้าใจตัวเห็นแจ้งในอาการนั่นก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งเข้าใจแจ่มแจ้งในอาการอาการไม่สงบโอ้มันชัดเจนอย่างนี้เนาะอาการที่จิตไม่สงบว่าเห็นอาการมันชัดเจนอย่างนี้นี่เขาเรียกวิปัสสนา แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวิปัสนาเป็นไงเวลามันสงบเราเข้าไปสงบกับมันเข้าไปแช่ในความสงบเวลาไม่สงบเราก็เข้าไปวไุ่นวายกับมันนี่คือเราไม่มีวิปัสนาต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดนะไม่ไงั้นมันจะสับสนเพราะนั้นตัววิปัสนาที่ว่าทำให้เกิดแสงสว่างทาให้เกิดญาณเกิดวิชาเกิดปัญญาเพราะอะไร ก็เพราะว่าเราเข้าไปเห็นแจ้งในอาการของเปลี่ยนแปลงทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงทางรูปคือเวทนาเป็นอย่างไรเข้าไปเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรการเข้าไปเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาตัวตนของเราคดมนมันมันลืมไปเลย มันไม่มีอาการสําคัญมันหมายว่าเป็นเราของเราละมันเป็นเพียงอาการอาการอะไรอาการที่เป็นไปในทางรูปทั้งหลายก็คืออาการของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันจะออกมาเป็นอาการไม่ใช่เป็นวิชาทันหาวัฏฐานมันจะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือหมายความว่ามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเกิดแล้วกระดับเปลี่ยนแปลงไปเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเราจะเห็นแบบนั้น ถ้าในเรื่องของรูปทั้งหลายความคิดก็เป็นรูปอันหนึง่งมันเกิดความคิดเกิดขึ้นมันก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะให้มันดับมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎของมันคือมันต้องดับนี่ทีนี้ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาเราก็ไปเห็นอาการของอนิจจังทุกขังตาเป็นตัวเราฮะเราจะบังคับให้มันเกิดอย่างที่เราต้องการบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการความทุกข์ก็เกิดเพราะอะไรเพราะว่าไป ไปต่อต้านกับกฎของสัจธรรมกฎของสัจธรรมคือมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ต้องดับไปแต่เราไม่อยากจะให้อันไหนที่มันดีๆมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้มันดับอยากให้มันอยู่อย่างนั้นถ้ามีความสุขก็อยากให้มีความสุขนานๆถ้ามีความทุกข์เราก็อยากไม่ให้มันอยู่มันอยากให้มันหายไปไวๆเนี่ยเราต้องการที่ให้มันเป็นไปตามต้องการไอการที่เราไปต้องการที่จะให้มันเป็นไปตามใจของเราเนี่ยเราเรียกว่า อวิชาด่าหาอุปาทานแต่ถ้าหากว่าเรามาเจริญวิปัสนาเฝ้าดูอาการเหล่านี้เป็นไปตามกฎของมันเราไม่ไปต่อต้านหมายความว่าเราเข้าไปรู้ไปเห็นอาการของมันอันไหนที่มันชอบอมันถูกใจเราก็รู้เออมันถูกใจมันสบายใจไม่ว่ารูปเสียงกยลิ่นรสเกิดขึ้นกับใจแล้วมันถูกใจเราก็ไม่ไปยึดออให้มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องนึกอยู่เสมอเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงไป เมื่อลูกเสียงกิดรถสัมผัสมากระทบมันทําให้เราไม่พอใจแล้วก็เห็นว่าเออไอสิ่งที่ไม่ทําให้เราไม่พอใจเดี๋ยวก็เรื่องเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราไม่ยึดเรารู้ธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันไม่ใช่เราแต่ที่เราไม่ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขั ง, งไม่มีวิปัสสนาไปเราก็ไม่อยากจะใ ห, ให้ให้มันอยู่ตามที่เราต้องการเขา อ, อยากให้เขาจัดการในลูกเสียงขีดลถสัมผัสที่ดีๆ หรือเราไปจัดการให้มันเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราเกอี่ยให้มันอยู่นานๆลูกเสือขี่ด้วสัมผัสอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้มันเกิด <c oughs> แต่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มันหายไปไวๆนี่คือเราเข้าไปขวางต่อหลักสศรษฐธรรมว่า น, นี่ความทุกข์มันถึงเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเี่พบแล้วพบเราอยู่อย่างนี้เลื่อยไปะดังนั้นเองเราจะทําไงก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเมื่อศึกษาเรื่องนี้เราเห็นธรรมชาติของ รูปคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาเห็นธรรมชาติของนามว่ามันเกิดมันดับ อ, อยู่อย่างนี้จนกระทั่งว่ามันเกิดเป็นความชำ น, นิชำนาญเกิดความเข้าใจกฎอันนี้แล้วใจเราก็จะวางเฉยต่อการเป็นไปของรูปของนามพอจิตของเราวางเฉยจิตมันก็เบาสบายไม่ไปแบกรับไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นพอจิตเบาสบาย นั่นความสงบมันก็เกิดขึ้นมาความสุขมันก็เกิดขึ้นมาความไม่มีทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเพียงแต่ทำความเข้าใจแล้วเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎของสัจธรรมนั้นเมื่อเรารู้กฎของความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็จึงเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจและแสงสว่างให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเห็นกฎเกณฑ์และความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปทุกขณะให้ชัดเจนไว้เสมอแต่ถ้าความเพียรศรัทธาและความเพียรเราน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเติมพลังของสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็ง สติสมติปัญญาเหมือนเป็นพลังงานตัว <c oughs> กายโดยเวทนาเนี่ยมันเป็นเป็นตัวอุปกรณ์เป็นที่ตั้งมันเป็นเหมือนตัวแบตเตอรี่เป็นเครื่องชาร์จตัวกายตัวเวทนาเนี่ยตัวกายมันคืเครื่องชาร์จเครื่องติดตั้งเลนต่างตัวเวทนาเหมือนกระแสที่รับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปเป็นพลังงาน ก็คือพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางปัญญาเกิดการขับเคลื่อนเกิดการงานขึ้นมานะการงานของจิตก็เกิดขึ้นการงานของจิตที่มันเกิดขึ้นนี่เองเราเรียกว่ากรร ม, มาฐานแล้วก็ข้อมูลที่เข้ามาสู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เข้ามาตลอดเวลา เราก็แปลสภาพเหล่านี้เหมือนกับเร า, าติดตั้งโซล่าเซลล์แสงสว่างส่องอยู่แล้วตลอดเวลาแสงพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็มีเครื่องรับแสงอาทิตย์คือแผงโซล่าเซลล์คือรูปเวทนาก็คือแปลงความร้อนที่มากระทบแผงเข้ามาสู่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ก็คือตัว ที่เป็นนามคือสติสมาธิปัญญาเก็บเอาไว้แล้วเราก็เอามาใช้เมื่อถึงข่าวจําเป็นเหมือนกันอนะแผงโซล่าเซลลคือตาหูมจมูกลิ้นกายใจยมันรับการกระทบรูปเสียงกี่รดลูกเสียงกิ่รดสัมผัสอารมณ์ก็คือแสงพระอาทิตย์แผงโซล่เซลก็คือตาหูมจมูกลิ้นกายใจตามภาษาลยลรืออุตนาะภายนอกอุจจาะภายในพอมากระทบกัน ก็กลายเป็นเมื่อมีการกําหนดรู้คือต่อสายต่ออะไรเข้าไปอันนั้นคือเราต่อตัวกรรมาฐานเข้าไปทีนี้ในทั่วไปเนี่ยแสงปรที่ก็มีอยู่ทั่วโลกแต่บางแห่งทําไมมันจึงเกิดเป็นแสงสว่างเป็นพลังงานบางแห่งไม่เกิดเพราะบางแห่งไม่เกิดเพราะเขาไม่ได้ติดตั้งเครื่องเอาไว้บางแห่งมันเกิดเพราะเราติดตั้งเครื่องนี้เอาไว้การกระทบระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปสังกิริโดยสมบัติ มีเหมือนกันทุกคนแต่ทำไมบางคนจึงเอามาใช้ได้เป็นวิปัสนาเกิดปัญญาบางคนเอามาใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ทำวิปัสนาจึงไม่เกิดปัญญาเห็นไหมอันนี้คือกฎธรรมชาติสากลมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรแต่เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจไม่ฝึกฝนไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเรื่องนี้เราก็เลยละเลยพลังงานอันนี้ไปอย่างไม่ได้ไประโยชน์อะไร เหมือนคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับที่จะแปลงแสงสว่างของพระอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแล้วเขาอยู่กับแสงสว่างนั้นทั้งปีทั้งชาติเกิดมาจนเกิดจนตายกับแสงพระอาทิตย์ก็ไม่เคยใช้พลังงานพิเศษจากอันนี้แต่สําหรับคนเกิดมาสุดท้ายภายหลังเขารู้เรื่องนี้ปับ๊บเขาก็ติดตั้งทันทีแสงพระอาทิตย์ก็กลายเป็นพลังงานทําให้เกิดการ ขึ้นไว้หุงข้าตุ๋มแกงทําการทํางานได้สะดวกสบายสมถาวิปัสสนาก็แบบเดียวกันก็มีอยู่แล้วคู่ประจาโลกอยู่แล้วยุคใดสมัยใดเมื่อเกิดมีท่านผู้รู้มาบอกมาสอนมาชี้เราก็ทำตามท่านแล้วเราก็เอามาใช้เราก็ได้รับพลังงานอันเกิดการ ก, กระทบทุกทุกวันแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกเสียงคิดรสัมผัส กระทบกันแล้วมันก็เกิดกําลังของวิปัสนาปัญญาขึ้นมาเราก็ได้ใช้ได้สอยแสงสว่างกําลังของส่วนนี้เอามาดูแลชีวิตของเราชีวิตของเราก็มีแต่ความสงบมีความปลอดภัยมีความาสบายแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกมากมายมหาศาลอันนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพระหันจึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพะระปิจิวจึงเกิดขึ้นเพื่อมาทําหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นนะไม่ได้มาเพื่ออะไร นะอัะ น, นั้นให้เข้าใจอันนี้แล้วเราก็จะเกิดความมุ่งมั่นศรัทธาเกิดความเพียรอย่างเข้าใจไม่ใช่เพียรไปรวมๆเล้งๆเพียรไปสงสัยไปไม่ใช่เพียรไปก็เข้าใจไปเพราะเห็นกฎเกณฑ์อันนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในการที่เรามาฝึกฝนมาปฏิบัต เนี่ยต้องเข้าใจว่าเรามาทำอะไรนคนไทยเราชอบด้วยเกินชอบไปศึกษาไปปฏิบททัติธรรมแต่ว่าที่ได้ผลเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปแก้ไขาปัญหาได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่ ย, ยากบางคนศึกษาปฏิบัติมาสิบปียี่สิบปีก็ยังทุกเหมือนเดิมบางทีมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกอมาไปพบญาติโยมคนปฏิบัติธรรมกับภาพมายี่สิปีวิปิตท้งกายท้งใจเลยทียนี้ นะจะป่วยทั้งกายทั้งใจมาพบพระธมาอยู่ที่จงังหวัดลำพูนสอบถามว่าไปทําอะไรมาไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรมาก็ไปอยู่กับพระปฏิบัติกับพระเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็อยู่กับท่านเอา้าทำไมยูไม่เอาความเป็นพระอรหันต์จากท่านให้ได้บอกว่าไม่มีปัญญาไม่เบืียดเนียนไม่มีปัญญาบรารมีไปทุ้ซี้อยู่ได้ไหั้งกี่ปียี่สปีอันนี้คือข้อผิดพลาด เพราะอะไรเพราะเรามีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานะเพราะนั้นพอมาฝึกฝนปฏิบัติแบบเราก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่เมื่อเราเข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ยอมชีวิตให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทุกข์มาแล้วไม่รู้กี่ภพชาติกับกันเราจะทุกข์ต่อไปอีกทําไมแล้วทุกข์เพราะกายเพราะใจทุกข์เพราะรูปเพราะนามนี่แหละแบกขันแบกรูปแบกนามของเราที่มันหนักหน่วงทวงทับที่มันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนะพราะอะไรเพราะเราไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้ เมื่อไม่รู้มันก็เติมอวิชชาดันหาเอาไปทานเติมมาหน้าทิฏฐิเติมความโลภร์ความโกรธความหลงเข้าไปทุกวันเพิ่มอำนาจของความโลภโกรธหลงเข้าไปทุกวันเพราะเราไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้แต่เมื่อรู้กฎเกณฑ์อันนี้แล้ว เ, เรายังไม่ทําอีกนั่นก็แสดงว่าเราสับสนในชีวิตเราจะเอาอะไรกันแน่จะเอาสุขหรือเอาทุกกันแน่เราก็ยังไม่แน่ใจเราจะเอาอยู่กับกิเลสหรืออยู่กับความไม่มีกิเลสเราก็ยังไม่ นี่คนอยู่ในยุคสับสนทุกวันเนี่ยถ้าจะเอาการไม่ทุกข์เขามไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ใจได้คือเคยจะอยู่กับความทุกข์เมื่อนั้นคนทุกวันนี้พอใจที่จะอยู่ความทุกข์ท่านถึงบอกว่าเหมือนคนเหมือนหนอนที่มันพอใจอยู่ในส้วมไปเรื่อยๆได้อยู่ได้กินได้สบายแต่ว่ามันไม่ไประเสริฐอะไรเหมือนหนอนอยู่ในส้วมคนที่จมอยู่ในความทุกข์เกี่ยวกับการกินกามเกลียดแสวงหาแต่รูปเสียงจีลดจะ ทุกขนาดไหนก็ยอมนะแต่ขอให้ได้เงินได้ทองมาตอบสนองความอยากความทุกข์ของตัวเองไปวันวันเหมือนเติมเชื้อไฟเข้าไปเหมือนแมลงมเม้าวิ่งเข้าสู่ไฟพอใจที่จะเห็นไฟก็วิ่งเข้าไปหามันก็ไม่ไปเสืิอมอะไรแต่ว่าผู้รู้ผู้ที่มีปัญญาถ้าเห็นว่านั่นคื อ, อชีวิตมันตกต่ําที่อยู่กับทุกข์เราจะทําอย่างไรให้ชีวิตให้มันมันเบากว่า น, นี้ให้มันสูงกว่า น, นี้ให้มันประณีตกว่านี้ มันยังมีอยู่ก็เริ่มแสวงหาเริ่มหาเป้าหมายหาจุดยืนหาทิศทางชีวิตของเราเองว่าจริงๆเราต้องการอะไรต้องการอยู่กับทุกข์หรือต้องการไม่มีทุกข์ต้องการอยู่กับความสงบหรือต้องการอยู่ความวุ่นวายต้องการอยู่กับสังสารวัฏหรือต้องการอยู่กับนิพพานต้องทําตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นแสวงหาเมื่อเริ่มด้นแสวงหาแล้วเราจะไม่ลังเลอีกเพาจะเอาหรือไม่เอามันจะไม่มี มีแต่ว่าจะเอาอย่างไรที่มันจะถูกต้องจะศึกษาอย่างไรที่มันจะเข้าใจแล้วมุ่งมั่นทําอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ท้อถอยสําหรับคนบางคนที่เป็นแบบนั้นแต่คนบางคนที่อยู่กับทุกข์มาจนชินเหมือนกับนอนอยู่กับชั่วมาจนเคยแล้วเนี่ยจะเอ า, าขึ้นบกจะเอาขึ้นไปเป็นมแมลงผู้มแมลงผึ้งไม่ยอมแล้วทีนี้เพราะอะไรมันกลัวเพราะว่าวุฒิภาวะทางปัญญาไม่พอวุฒิภาวะความเจริญของจิตไม่พอ เราก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะยกมุทิภาวะของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการยอมเนะสียสละความสุขส่วตัวบางสิ่งบางอย่างยอมเสียสละความอริยอร่อยบางสิ่งบางอย่างยอมเสียสละความห้าพึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามีอยู่สละมันออกไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเราอยู่กันมาร้อยวันพันปีมันก็กอให้เกิดความทุกข์และปัญหาไม่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่าเรา มาแสวงหาสิ่งใหม่แล้วก็ต้องทําความเข้าใจไปเรื่อยๆไม่ขาดสายเมื่อทำเขาเข้าใจไปทุกวีทุกวันทุกเ ว, กวลานาทีมันก็ต้องไวขึ้นเรื่องกิเลสไม่ต้องไปทําความเข้าใจเรื่องทุกไปต้องไม่ตรงทําความเข้าใจอยู่กันมาจนชินแล้วเข้าใจมันดีแล้วแต่ทําไมเราจึงออกจากมันไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาในส่วนนี้เพราะไม่ได้ฝึกฝนเพราะไม่ได้อบรมในทางที่ถูกต้องปัญญาตัวนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกับเราอยู่ในความมืดตลอดเวลา ไม่เคยเห็นแสงสว่างแต่น้นมือนมีแสงสว่างน้อยๆที่เราผู้ที่เจ้าท่านชูขึ้นท่านบอกขึ้นเราเห็นอะไรแปลกๆแตกต่กกางใหม่ๆออกไปเราก็อยากจะเห็นให้มากกว่านั้นเราก็เริ่มต้นที่จะเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวพุทธของเราฉะนั้นในช้าวันนี้เราได้ทำความเข้าใจตรงนี้เพราะว่า <c oughs> ในช่วงบ่ายว่าจะเดินทางไปที่บ้านน้องแก่ที่แก่งคอที่แรกว่าจะรอรถวันพรุ่งนี้มันก็จะยืนยาวออกไปทางนองแก่งคอทางนน้นกับัางพระุฒธรรมเขาก็รออยู่นะก็เลยว่าจะพระจีนกับพิษณีจีนจะตามไปด้วยอุบายศุกต่อไปยมพล อยากให้ช่วยเป็นทาให้นี่เป็นโชเฟอร์ให้เลยเนาะเพราะว่ารถตู้สงสารจะพุทธเนี่ยมันขับรถไม่เหยียบรถเรื่อยๆนะรถมันพังไวก็เลยช่วยถ้ามีโอกาสรถยมอวิชาตจะไปด้วยนะรถยมพิชาติไปแต่รถตู้ของเราที่ไปจังหวัดมูกดาหารก็จะกลับมาวันนี้อาจจะกลับมาถึงเย็นหรือนะพรุ่งนี้ให้เขาตามมาไปให้นะรถยมพิชาติก็ออกไปส่งกลับมา อันนี้เพื่อที่ญาติโยมทางนั้นที่เขารอพบอยู่ทําแก่งคอวัดธมพุทธธรรมเมื่อวานเขาเปิดงานแล้ววันนี้จะไปพอดีแต่ดูก่อนพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามันจะสะดวกแบบไหนว่าจะไปหรือรอจันทร์พุ่งมาถึงเย็นนี้ก่อนอจะไปพรุ่งนี้เช้าหรือยังไงจะสอบถามเขาอีกทีหน้่งเพื่อความสะดวกเพราะเย่าเกลี่ยเดี๋ยวอยู่ที่นี่จนจบหรือจะไปต่อที่บ้านน้องแก่ อาจะอยู่ที่นี่ตรด้วยไปวันน้องแก่ อ, อ, อ, อืไไอก็ไปตออ่อกสักเจ็มือสักอย่จะไดนั่นจะกห้ามือก็ได้นี่เพื่อให้เราได้ประโยชน์นี่มาพบกันแต่ละครั้งแล้วให้ได้ประโยชน์จากกันถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์จากกันาการพบกันไปเสียเวลาเปล่าดังนั้นก็ อยากจะให้ศึกษาเพราะการพบกันก็ไม่ใช่ของง่ายพบกันแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วกันมันก็ถือว่าเราได้พบกันแล้วมันก็ได้พบในสิ่งที่ดีแล้วแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ดีต่อกันนะเพราะนั่นชาววันนี้ก็สมควรเวลานะล่ า, ลางๆพบกัน